บุ๊กทูหกสสาชการตั้งคาถามสองโพสต์เตอร์เยนเยอุปดิฉันมีงานอดิเรกอิ M มัมฮุบบ ดิฉันเล่นเทนนิสไกรามเทนนิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเคยเล่นเทนนิสก็อิกริษเชคุณมีงานอดิเรกไหมไมช์ค่ะฉันฮ็อบีดิฉันเล่นฟุตบอลไกรามนอกอมแมท สนาฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะเคียร์โนโกเมตโนอิกริชเช่ดิฉันเจ็บแขนบลิเมรอคาดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยบลิตาเมตูดินอกอิรอคมีคุณหมออยู่ไหมคะ คีเยคักชันสตราิฉันมีรถอิม m ออต้ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยอิมามตูดีมดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะคีเยค a กชโนเปอรคีรช ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ imam p u l l o v ร r ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยียนด้วยอ imam to the u p p อิน n ลาเชอิส j e น n s เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะเย่เยปราลนิสตรอยดิฉันมีจาน อิหม k r ค ž ร i no k d i 尼克ดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนอิหมั i นอชวิลิต i ซอินจลิตซาเกลและพิกไทยอยู่ไหนคะคีสต์สูพ